ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง FN 1 0 6 7มเ็มกะเฮิรตสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนาวัดพันศีตำบลเจรพัดอําเภอสอรีคอรพุมจังหวัดสุรินทร์ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมภาษาถิ่นดําเนินรายการโดยพระอาจารย์สมรักยานัทีโ ร, ร พระผู้เป็นดวงจากสู่แห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันบริณิพานนานนับพันปีแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงสว่างสวยในจิตใจของสาธุชนทั้งหลายมิรู้ดับยังคงเป็นกระแสทานเที่ยมในความเยืเกเย็นชุ่มชื่นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายผู้เราร้อน ยังคงเป็นมักคาที่นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล่าวขอความสุขความสวัสดี จงมาเกิดมีแกย่ยยมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านอาจตามาภาพพระสมรักยานธีโรวัดพันศีตำบลจารพัฒอำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ได้มาพบปะกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้ถึง6โมงเช้า ในรายการร่วม ร, รมเวลาแปดนาฬิกาถึงเวลาเก้านาฬิการายการกรวีบทรถธรรมเวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิการายการภาษาธรรมภาษาถินเวลา18บแนาฬิกานาทีถึงเวลา19นาฬิการายการกรวีบทรถธรรม และเวลา21นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิการายการธรรมะเพื่อชีวิตและก็บางครั้งนั้นก็ไปออกอากาศเวลา12นาฬิกาถึงเวลา13นาฬิกาก็ยศยมท่านใดที่มีเวลาว่างหรือเปิดคลื่นร้อยหกจุดเจ็ห้าไมเเฮิรต์นั้นก็สามารถที่จะ คลื่นรับฟังในส่วนของรายการได้ตามเวลาที่อาจารมาภาพนั้นได้กล่าวไปแล้วก็ยอดโยมสาธุชนทั้งหลาย2วันสวันที่ผ่านมาก็รายการนั้นยังคงมีอยู่ปกติแต่ว่าก็บางทีนั้นได้นําในส่วนของเทปรายการมาเปิดให้กับยอดโยมสาธุชนทั้งหลายได้ติดตามรับฟังแล้วก็บางครั้งนั้นก็จะให้ท่านพระอาจาร สุพัฒนพัฒวโรนั้นมาดำเนินรายการแทนเนื่องจากว่าบางวันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็เวลาคาบเกี่ยวในส่วนของการที่จะต้องไปอาสอนพระพิสุทธิมเน็จรงเรียนพระปริยัติธรรมบัญสีวิทยาด้วยจึงจําเป็นที่จะต้ององดในการมาพูดคุยกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในช่วงเวลา16บหนาฬิกาถึงเวลา17บเนาฬิกา และก็ต้องขออนุโมทนาสำหรับญาติโยมที่ยังคงติดตามรับฟังรายการของอาตมาภาพอยู่ก็ต้องขออนุโมทนาในส่วนของการรับฟังพระวาธรรมนั้นถือว่ า, าเป็นเรื่องลำบากพอสมควรสำหรับญาติโยมนั้นได้ติดตามรับฟังนะ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วเราจะชอบกันในส่วนของความบันเทิงเสียส่วนใหญ่นะแต่ธรรมะนั้นก็ถ้าฟังได้นี่ก็ถือว่า ยโยมเองก็มีความสนใจใครในธรรมหรือท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการ 106.75 เมกะเฮิร์ต้องการที่จะร่วมอสนทนาธรรมในส่วนของทางรายการก็สามารถที่จะร่วมรายการได้ทางเบอร์โทรศัพท์044560488ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์ของทางสถานียโยมสาธุชนทั้งหลายรายการนี้ถือว่าเป็นรายการสด น่ะเอกอากาศสดๆนะยะมก็สามารถติดตามรับฟังได้นะซึ่งเราทำการออกอากาศณอาคารชั้นสองโรงเรียนพระปะริยัติธรรมภันศีวิทยาน่ะซึ่งเป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้แก่บรรดาพระพิสุสามเณรที่ศึกษาอยู่ณโรงเรียนแห่งนี้ยมซึ่งมีทั้งในส่วนของายปริยัติธรรมก็คือสอนในส่วนของปะภาคสามัญ การที่เรียกว่าปริยัตสามมันนั่นเองก็คือตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กนะก็มีมหนึ่งมอสองมสมมสี่ ม, ม, ม, ม, มห้าม6นะซึ่งก็ปีนี้ก็มีลูกหลานยอดยมนั้นได้มาสมัครเรียนแล้วก็ได้เรียนนั้นก็เกือบจบภาคเรียนที่1แล้วล่ะยอดยมนะในส่วนเดือนอตุลาคมนี่ก็คงจะต้นๆ้นเดือนนั้นก็จะมีการสอบปลายภาคกันนะก็ แล้วก็มีในช่วงของเดือนตุลาในปีนี้ก็เห็นว่าจะมีการอาสอบนักธรรมด้วยโดยเฉพาะนักธรรมชั้นตรีปีนี้เห็นว่าสอบในวันที่ยี่สิบยี่ยี่ยี่าวันอย่างนั้นอันนี้ตามความแน่ชัดนะก็น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ยี่อยี่สามยี่สิบสยี่สิบยอ่าประมาณนี้ในเดือนตุลาคมซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษาโดยเฉพาะให้นักธรรม ชั้นตรีนั้นสอบก่อนแล้วก็นักธรรมชั้นโทนั้นคงจะต้องไปสอบนู่นเดือนพฤศจิกายนนะแล้วนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกนั้นย่อจะต้องสอนด้วยด้วยกันนะเพราะฉะนั้นจะโยมสาธุชนทั้งหลายในการเข้าพรรษาปีนี้นี่เห็นพระคุณเจ้าหลายรูปทีเดียวก็คงยังต้องขมักขมิ้นในส่วนของการศึกษาเล่าเรียนนะในส่วนของภาคธรรมะนะในส่วนของวิชาพุทธประวัติวิชา อากระทูธรรมวิชาธรรมะและก็วิช า, าศาสนพิธีนพุทธประวัติเหล่านี้เนี่ยญาติโยมกระทู่ธรรมพุทธและก็วินัยในทางพระพุทธศาสนาเห็นหลายวัดเลยทีเดียวนะได้ทําการศึกษาโดยมีครูบาอาจารย์ในแต่ละวัดนั้นให้การศึกษาญาติโยมนะก็วันนี้เห็นว่าทางคณะสงฆ์นั้นมีการจัดประชุมพระนวกะด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญทีเดียวในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่า พระพิสษุที่บวชมาใหม่ในธรรมพระพุทธศาสนานั้นจะต้องอาจทำความเข้าใจในส่วนของการเข้ามาสู่การบวชนะเหมือนกับพระที่บวชใหม่นั้นนะพระอุปชาก็คงจะต้องบอกในส่วนของ อ, อนุสันะาา ย, สนะสยสี่อาการณียกิจ4ี่นิสัย4อการณียกิจ4ี่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องบอกในหลังจากที่บวชเสร็จแล้วยโยมนะหลายวัน ที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยในส่วนของอนึกหาสาระโดยเฉพาะวัน ก, นก่อนก็ได้พูดในส่วนของการถวายข้าวบูชาพระนะเรียกว่าการบูชาข้าวพระพุทธนะซึ่งที่จริงแล้วในการบูชาข้าวพระพุทธที่อรตมาภาพพูดคุยให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเมื่อครั้งก่อนนั้นก็คงจะเข้าใจแล้วละเพราะว่า ถาจะเปรียบเทียบในสมัยพุทธกาลณนะเมื่อพระพุทธเจ้าเองนั้นยังทรงมีพระชนอยู่ณนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็นิยมนิมนต์นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระประธานเป็นพระพิสุในประธานพิสุสงส์ในการบำเพ็ญกุศลตามบ้านตามเรือนของตนณนะที่บาลีท่านได้กล่าวไว้ว่าพุทธประมุโขโภพิขุสังโฆซึ่งแปลว่าพิสุสงส์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขณนะ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาถวายพัฒหารแล้วก็ก็นิยมจัดพัฒหารถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นพิเศษส่วนหนึ่งเช่นเดียวกับปัจจุบันนี้ก็เรานิมนต์พระสงฆนะ์ไปด้วยก็เราก็จะต้องทําในส่วนของการถวายพัฒหารแด่พระพุทธรูปด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นการจัดข้าวบูชาพนะระพุทธเจ้านาะยจมนั่นคือเรื่องเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาวันนี้นจะนํามา เสนอในส่วนของเรื่องระเบียบปฏิบัติการประเขนพระสงฆ์ว่านั่นเรามีข้าวของส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังฆทานไม่ว่าจะเป็นพัตตาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนํามาประเขนพระนี่เราจะต้องปฏิบัติกันอย่างไร้จงน ะ, ะเพราะฉะนี้การประเขนพระก็คือการยกสิ่งของอันสมควรแก่สมณบริโภค นาการประเคนพระก็คือการยกสิ่งของอันสมควรแก่สมณบริโภคนาสมควรที่พระพิสุสงนั้นจะบริโภคใช้สอยได้นะไม่มีโทษทางพระวินยัยทางพระพุทธนาบัญญัติยะจมคือน้อมถวายให้แก่พระสงฆ์ด้วยเกรรยาอาการที่แสดงถึงความมีนามีศรัทธาเลื่อมใสมีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระสงฆ์ผู้รับประเคนนั้นเป็นอย่างดี อันนี้คือองค์ของการประเขนนั่นเองยะดยมคือองค์ของการประเขนพระก็คือการยกสิ่งของอันสมควรแก่สมณบรโรุโภกหนาสมควรที่พิสุสงนั้นจะบริโภกใช้สอยทีนี้ลักษณะของการประเขนพระที่ถูกต้องหนาลักษณะการประเขนพระที่ถูกต้องก็คือการประเขนสิ่งของอันสมควรแก่สมณบริโกหนาเช่นพัตตาหารข้าวหวานเป็นต้น นาเก่พระภิสุสง์ในทางพระพุทธศาสนานั้นนีก็จะมีพระวินัยบัญญัตินามีวินัยพุทธบัญญัตินาทรงกําหนดไว้ให้ประกอบด้วยองค์หด้วยกันนาจะจมสาธทีชวนทั้งหลายนาก็คือลักษณะของการประเคนพระที่ถูกต้องนั้นนาทรงกําหนดให้ประกอบด้วยองค์5ก็คือ 1. สิ่งของที่จะประเคนนั้นนี่ต้องไม่ให้ใหญ่โตหรือหนักเกินไป หมายความว่าขนาดคนปานกลางยกคนเดียวยกไหวในย่ำโจมและก็ต้องยกสิ่งของนั้นให้ขึ้นพ้นจากพื้นที่สิ่งของนั้นตั้งอยู่ได้นี่คือประการแรกประการที่สองก็คือผู้ประเคนนั้นต้องเข้ามาอยู่ในหัตถบัตคือผู้ประเคนนั้นต้องอยู่ห่างจากพระภิกษุผู้รับประเคนประมาณหนึ่งศอกเป็นอย่างมาก ประการที่3ก็คือผู้ประเคนน้อมสิ่งของนั้นเข้ามาให้ด้วยกิริยาอาการแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อพระพิสุผู้รับประเคนประการที่สก็คือกิริยาอาการที่น้อมสิ่งของเข้ามาให้นั้นจะส่งให้ด้วยมือก็ได้หรือจะส่งให้ด้วยของเนื่องด้วยกายเช่นใช้ทัพพีตัดถวายก็ได้นี่คือกิริยาการที่น้อมสิ่งของมาให้ ประการที่สี่ก็คือพระภิกษุผู้รับประเขนนั้นจะรับด้วยมือก็ได้จะรับด้วยของเนื่องด้วยกายเช่นจะใช้ผ้าทอดรับก็ได้จะใช้บาตรรับก็ได้จะใช้จานรับก็ได้นี่จนบ น, จนี่คือลักษณะของอห้าประการนะลักษณะ5ประการที่กําหนดไว้ประกอบด้วยองค์5ประการก็คือในทางวินัยบัญญัติแต่ใ น, นลักษณะการประเขนพระที่ไม่ถูกต้อง มีลักษณะการประเค้นอย่างไรนาะประการแรกก็คือสิ่งของที่จะประเค้นนั้นใหญ่โตหรือหนักเกินไปคนเดียวยกไม่ไหวต้องช่วยกันยกถวายเช่นช่วยกันยกโต๊ะอาหารทั้งโต๊ะถวายอันที่เป็นต้นยนยะจบประการที่สองก็คือผู้ประเค้นอยู่นอกหัตถบัตรคือหมายความว่าผู้ประเค้นอยู่ห่างจากพระภิกษุผู้รับประเค้นเกินกว่าหนึ่งศอกออกไป จนพระภิกษุนั่งตัวนะจนพระภิกษุนั่งตัวตรงรับด้วยมือไม่ถึงหรือการประเคนโดยวิธีวางภาชนะต่อต่อกันออกไปเป็นต้นประการที่สามก็คือผู้ประเคนไม่ยกสิ่งของที่จะประเคนนั้นให้พ้นจากพื้นนะเช่นการประเคนถวายด้วยวิธีเสือกใส่ให้เลือกไปตามพื้นหรือการประเคนโดวยวิธีใช้มือแตะสิ่งของถวายเหล่านี้เป็นต้น นะประการที่4ก็คือผู้ประเคนสิ่งของให้พระนะส่งด้วยกิริยาอาการที่แสดงความไม่คารพเช่นในด้วยกิริยาอาการดุดทิ้งเสียเหล่านี้เป็นต้นนะประการที่5ก็คือพระพิสุผู้รับประเคนยังไม่ทยังไม่ทันที่จะรับสิ่งของนั้นผู้ประเคนก็วางสิ่งของนั้นลงเสียก่อนนะประการที่6กก็คือสิ่งของที่ประเคนนั้น เป็นของไม่สมควรแก่ส ม, มณบรรโภคเช่นเงินทองหรือสิ่งของที่ทำด้วยเงินทองได้แก่ผ่านเงินผ่านทองขันเงินเหล่านี้เป็นต้นประการที่7ก็คือนำเอาวัตถุสิ่งของประเภทอาหารคาวหวานไปถวายให้กับพระพิสุรับประเคนในเวลาวิการคือตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปแล้วนะทีนี้ญาติโ ย, ยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยวิธีการประเคนพระนะ วิธีการประเค้นพระนั้นเขาจะมีวิธีการอย่างไรวิธีการประเค้นพระนั้นเนี่ยถ้าผู้ประเค้นเป็นชายน่ะนิยมส่งยกส่งให้ถึงมือพระพิสุผู้รับประเค้นถ้าผู้ประเค้นเป็นหญิงก็นิยมวางถวายบนผ้าที่พระพิสุทอดรับประเค้นนั้นและต้องรอให้พระพิสุท่านจับที่ผ้าทอดนั้นกอน่ะจึงวางสิ่งของลงบนผ้าที่ทอดรับนั้น านายนิประเด็นแรกนะวิธีการประเคีนประเด็นแรกวิธีที่สองอที่สองก็คือถ้าพระภิกษุนั่งอยู่กับพื้นผู้ประเคีนนิยมนั่งคุกเข่าประเคีนสิ่งของถ้าพระภิกษุนั่งเก้าอี้น่ะเช่นนั่งเก้าอี้ฉันพัตฐารที่วางบนโต๊ะน่ะผู้ประเคีนนิยมยืนประเคีนสิ่งของยะจกในการถวายพัตตาหนข่าวหวาน แต่พระภิสุสง์นั้นนี่นิยมถวายเฉพาะสิ่งของทีท่ที่พระพิสุสงจะพึงฉันได้เท่านั้นส่วนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเช่นกระโถนจานชามช้อนแก้วเป็นต้นนี่นิยมไม่ต้องยกประเคนพระนาย จ, จมเพียงแต่วางหน้ามอบให้เท่านั้นนะพัฒตาหารในส่วนของข้าวหวานทุกชนิดที่ประเคนพระภิกษุสง์แล้วนี่ นิยมไม่ให้คาระหัดทั้งชายและหญิงจับต้องอีกนะถ้าเผลอไปจับต้องเข้าเนีย่ยนิยมให้ยกประเคนแก่พิสุเสียใหม่ทุกครั้งไปยะจบเมื่อประเคนพัตตาหารข่าวหวานครบทุกอย่างแล้วนี่ก็นิยมทําความเคารพพระพิสุก็คือการนั่งคุกเข่าประเคนนะก็คือถ้านั่งคุกเข่าประเคเนยะโ ย, ยมก็นิยมกราบ3าครั้งนี่ ถ้ายืนประเคนก็นิยมน้อมตัวลงยกมือไหวหนึ่งครั้งถือว่าเป็นเสร็จพิธีการประเคียพระนยะจบดังนั้นนี่ก็ก็ก็หลักที่ว่าเมื่อสักครู่นยียะโจมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติหลักของการประเคณพระพิสุด้วยนะทีนี้อยากจะพูดในส่วนของระเบียบการจัดพัตนาหันถวายพระสงฆ์หน่อยยะโจม ว่าเราจะมีระเบียบพิธีการจัดพัตนาหันถวายพระสงฆ์กันอย่างไรอันดับแรกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่อาหารที่ต้องห้ามสําหรับพระพิสุสง์มีอาหารอะไรบ้างน้าอาหารที่ต้องห้ามสําหรับพระพิกสุก็คืออาหารที่เป็นอกัปปิยะอกกัปปิยะหมายความว่าอย่างไรญาติโยมคือไม่สมควรแก่ สามะัะบริโภคขบฉันได้แก่ไรได้แก่เนื้อสิบชนิดและก็อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสิบชนิดเหล่านี้นาะยมอย่างแรกคือเนื้ออะไรล่ะอย่างแรกก็คือเนื้อมนุษย์นาะรวมทั้งเลือดมนุษย์ด้วยญาติโยมในห้ามเป็นอันขาดนะนะเพราะว่าไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาเนื้อมนุษย์รวมทั้งเลือดมนุษย์ด้วยนี่มาทำอาหาถวายพระนี่นะ มีข้อบัญญัติไว้เลยญาติโยมแล้วก็เนื้อที่สองก็คือเนื้อช้างนะญาติโยมท่านใดที่เอาเนื้อช้างไปถวายพระนี่ก็ไม่ถูกต้องนายาติโยมห้ามนําเนื้อช้างไปถวายพระประเด็นที่สามก็คือเนื้อม้านะเนื้อม้านี่ก็ห้ามนําไปถวายพระด้วยนะเนื้อที่สี่ก็คือเนื้อสุนัขนี่ก็ห้ามนายาติโยมเนื้อสุนัขนี่ห้ามถวายพระด้วย แล้วก็เนื้อที่ห้าก็คือเนื้องูนะก้อนนี้ก็ห้ามถวายพระแล้วก็เนื้อที่6ก็คือเนื้อราชสีหรือสิงโตนี่แหละย่าจมนะห้ามถวายพระแล้วก็เนื้อที่7ดก็คือเนื้อเสือโคร่งนะอันนี้ก็ห้ามเนื้อที่8ดก็คือเนื้อเสือเหลืองนี่ก็ห้ามนะเนื้อที่9ก็คือเนื้อหมีนะเนื้อที่10บก็คือเนื้อเสือดาว นะเนื้อทั้งสิบนี้นี่ห้ามนะถาวายพระเป็นอันขาดเลยยะโยมเพราะว่าในทางบัญญัติในพุทธบัญญัตินั้นมีห้ามไว้สิบชนิดเนื้อสิบชนิดที่ห้ามถาวายนาะยยะโจมดังนั้ น, นเนื้อนอกจากสิบชนิดนี้ไม่ส่งห้ามแต่ทรงห้ามของดิบคือเนื้อที่ยังไม่ได้ทําให้สุกด้วยไฟเช่นเนื้อดิบปลาดิบเป็นต้นส่งห้ามไม่ให้พระพิสุขขบฉัน เนื้ยสัตว์ที่จะฆ่าเจาะจงเหมือนกันญะจมเช่นฆ่าปลาฆ่าไก่เป็นต้นเพื่อทำอาหารถวายแก่พระพิสุสงฆ์สามเณรโดยตรงซึ่งเรียกว่าอุทิศสังสะอุทิศสังฆะนี่แปลว่าเนื้อเจาะจงน่ะเป็นของห้ามไม่ให้พระพิสุสามเณรคบฉันถ้าพระพิสุไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและก็ไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อที่จะเป็นของเฉพาะเจาะจงแก่ตน นี่ฉันได้ไม่มีโทษอย่าจบผลไม้ที่มีเมล็ดอาจจะเป็นน่นคือไม่หมายถึงว่าผลไม้ที่มีเมล็ดอาจเพาะเป็นคือผลไม้ที่ใช้เมล็ดปลูกได้เช่นเงาะลำไ ย, ยเป็นต้นและเง้าที่ปลูกเป็นคือพวกเปลือกมันแห้วเป็นต้นทรงอนุญาตนางให้อนุประสมบันคือบุคคลที่ไม่ใช่พระภิกษุได้แก่สามเณรและคฤหัตทําให้เป็น กับปิยะเสียก่อนก็คือทําให้เป็นของสมควรแก่สมณะเสียก่อนแล้วฉันได้ไม่เป็นอาปัดนะอาหารที่สมควรแก่พระภิสุสงนะมีอะไรบ้างอันนี้ตามหลักพระธรรมวินัยย่าจมก็คือเนื้อสัตว์นี่นอกจากเนื้อที่ทรงห้ามสิชนิดมีอะไรเมื่อกี้ก็มีเนื้อมนุษย์เนื้อช้างเนื้อม้าเนื้อสุนัขเนื้องูเนื้อราชสีเนื้อเสื้อโครงเสื้อเหลืองหมีและก็เนื้อเสือดาว หนา1ิชนิดดังกล่าวที่ว่าเมื่อสักครู่นี่น่าซึ่งเป็นเนื้อที่เขาฆ่าเพื่อนำมาขายเป็นอาหารคนพื้นเมืองตามร้านตลาดเรียกว่าประวัติตะมังสะแปลว่าเนื้อมีอยู่แล้วเนื้อที่เป็นไปอยู่ตามปกติที่เขาทำให้สุกด้วยไฟแล้วก็อนุญาตให้พิสุฉันได้ไม่เป็นอาบัตส่วนที่เขาฆ่าเจาะจงเพื่อทาอาหารถวายแก่พระภิกษุโดยตรง แต่พระพิสุไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและก็ไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเป็นการเฉพาะเจาะจงแก่ตนเช่นนี้นี่ก็อนุญาตให้พระพิกสุฉันได้ไม่เป็นอาบัตินายจอมสาธุชนทั้งหลายทีนี้วิธีการจัดพัตนาหันถวายพระสงฆ์นี่จะจัดกันอย่างไรนาะการจัดพัตตาหารถวายแก่พระพิสุสงฆ์ในเวลาเช้า นิยมจัดอาหารประเภทอาหารเบาๆเช่นข้าวต้มโจ๊กกาแฟขนมปังเป็นต้นนะเพื่อสะดวกแก่้าภาพที่ไม่ต้องตเตรียมมากและเพื่อพระพิสุจะได้มีโอกาสฉันพระทหารเพนได้ดีทำให้ไม่เกิดความหิวในเวลาเย็นและข้ามคืนถ้าจัดพระทหารถวายแก่พระภิสุสง์ในเวลาเพนก็นิยมจัดอาหารประเภทอาหารหนักจัดแบบเต็มยศ และโดยมากนิยมจัดอาหารประเภทอาหารไทยซึ่งถูกกับรสนิยมของพิสูจสงฆ์ที่เป็นคนไทยและควรเป็นอาหารประเภทพื้นเมืองเป็นหลักอาจมีอาหารพิเศษแทรกบ้างสักอย่างสองอย่างอันนี้ไม่ถึงว่าเวลายาตโยมมีงานมีพิธีต้องการที่จะจัดถวยายปัสกาหันเข่นงานแต่งงานงานบวชงานศพงานบรรจุอาทิอะไรพวกนี้แหละยาตโยม นะก็นํามาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังกันตอนี้หลังจากที่ เ, เร า, เาถวายแล้วนี่ก็จะมีระเบียบปฏิบัติการจัดเครื่องไทยธรรมถวายพระด้วยนะเครื่องไทยธรรมคื อ, อรายญาติโยมเครื่องไทยธรรมก็คือวัตถุสิ่งของต่างๆที่สมควรถวายแก่พระสงฆ์ได้แก่อะไรก็ได้แก่ปัจจยัย4และสิ่งของที่นับเนื่องในปัจจยัย4ี่ญาติโยม นะประเด็นแรกก็คือปัจจัยสีนายจมก็คือเครื่องนุ่งหม่มประเภทเครื่องผ้าทุกชนิดที่มีสีสมควรแก่พระภิกษุสามนเณรใช้สอยได้ซึ่งมีสีไม่ฉูดฉาดบาตาเป็นของไม่กาววาวเช่นผ้าลายดอกไม้เป็นต้นเป็นของไม่สมควรให้นุ่งห่มสำหรับสมณะนายจอม ปัจจัยที่สองก็คือเครื่องขอบฉันต่างชนิดทั้งอาหารขาวหวานและก็เครื่องดื่มนานาชนิดนี่ยกเว้นเครื่องดองของเมาเช่นสุราเมรยัยและยาเสพติดในโทษทุกชนิดด้วยนะปัจจัยที่สามก็คือเครื่องอุปกรณ์ที่อยู่อาศัยซึ่งรวมเรียกว่าเครื่องสุขภัณฑ์ก็ได้แก่ ตู้เตียงโต๊ะเก้าอี้ที่นอนเสื่อหมอนมุ้งพอมเหล่านี้เป็นต้นหนาะยจมรวมทั้งเครื่องจำระมนทินกายเช่นสบู่ทั่วตัวนะสะบู่ทัวตัวผงซักฟอกแปรงยาสีพันเหล่านี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่เป็นที่อยู่นะปัจจัยที่4ี่ก็คือเครื่องยาบำบัดความป่วยไข้ทุกชนิดนะและก็เพศัชห้คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาล รวมทั้งหมากพลูเรานิดเป็นต้นยัดหยกดังนั้นสิ่งของที่ประเคนถวายพระได้เวลาเช้าชั่วเที่ยงนะมีอะไรบ้างก็คือเครื่องไทยธรรมประเภทอาหารข้าวหวานทุกชนิดทั้งอาหารสดอาหารแห้งและก็อาหารเครื่องกระป๋องทุกชนิดนะเช่นหนึ่งละอาหารสดก็ได้แก่อาหารข้าวหวานรวมทั้งผ ล, ลไม้ทุกชนิด 2. ่ออะก็คืออาหารแห้ง นะได้แก่เครื่องเสบียงกลางทุกชนิดเช่นปลาเค็มเนื้อเค็มข้าวสารเหล่านี้เป็นต้นนะประเด็นที่3ก็คืออาหารเครื่องกระป๋องทุกชนิดนะเช่นนมโอวันตินเหล่านี้เป็นต้นสิ่งของเหล่านี้ทั้งหมดในยศโยมนิยมประเคนถวายพระสงฆ์ได้เฉพาะเวลาเช้าชั่วเที่ยงเท่านั้นเมื่อเลยเที่ยงวันไปแล้วนี่มีพระวิัยพุทธบัญญัติห้ามไม่อนุสุรับ พระภิกษุสงฆ์รับประเคีนถ้ารับประเคีนต้องปรับอาบัติโทษและยอดเจรย ด, ย, ดยมสาธิชนทั้งหลายถ้าเกิดหากชายหญิงนำสิ่งของเหล่านี้ไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ในเวลาหลังเที่ยงวันไปแล้วนี่นิยมเพียงแต่แจ้งให้พระภิกษุรับทราบและก็มอบสิ่งของเหล่านั้นให้ไว้แก่สิทธิ์ของท่านให้สิทธิเก็บรักษาไว้นำถวายท่านในวันถัดต่อไปยัดจบ สิ่งของที่ประเคนถวายพระได้ตลอดเวลาก็คืออะไระส่วนเครื่องทายธรรมนอกจากประเภทอาหารดังกล่าวแล้วในเช่นประเภทเครื่องดื่มทุกชนิดประเภทเครื่องยาบําบัดความป่วยไข้ทุกชนิดและก็ประเภทแพสัตว์เช่นน้ําตาล น, น้ําพึ่งน้ําอ้อยหมากพลูบุรีสิ่งของที่ไม่ใช่ของสําหรับขบฉันนิยมประเคนถวายเก่พระสงฆ์ได้ตลอดเวลาไม่มีข้อกําหนดห้า นะแต่ปัจจุบันนี้เรื่องของบุหรีน่นี่เขาก็ไม่เขาห้ามนะยศยมนะ่ะห้ามถวายบุหรี่แก่พระหมายถึงว่าเรามอบโรคให้พระนะ่ะมาแต่สมัยในอดีตนี่เขานิยมแต่ในปัจจุบันนี้ไม่สมควรเพราะว่าเขาเห็นว่าบุหรีน่นี่มันไปทําลายปอดนี่ก็ทําให้พระเกิดโรคแล้วก็มรณภาพไว้ว่าอย่างนั้นนะ่ยะยศยบสิ่งของที่ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุจับต้อง มีอะไรบ้างยัดหยกสิ่งของที่ทรงห้ามไม่ให้พระภิกษุสงฆ์จับต้องเรียกว่าวัตถุอนามาตได้แก่สิ่งของดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือผู้หญิงรวมทั้งเครื่องแต่งกายหญิงรูปภาพหญิงหรือรูปปั้นของผู้หญิงทุกชนิดเลยทีเดียวนะสองก็คือรัตนสิบประการรัตนสิบประการมีอะไรบ้างก็คือทองเงินแก้วมุกดาแก้วมณี แก้วประภาธทัพทิมบุตรสาคคำสังหนาที่เหลี่ยมทองหน้าสีลาเช่นยกและโมราเหล่านี้เป็นตน้น 3. ก็คือเครื่องศาสตราวุฒทุกชนิดอันเป็นเครื่องทําลายชีวิตไฟเครื่องดักสัตว์บกและสัตว์น้าทุกชนิดหนังก็เครื่องประโคมดนตรีทุกอย่าง6 ก, ก็ข้าวเปลือกและผลไม้อันเกิดอยู่กับที่ สิ่งของที่เป็นวัตถุอนามาตเหล่านี้ทุกชนิดนิยยมไม่นิยมนําไปประเค้นถวายพระภิสุท์เพราะผิดพระวินัยพุทธบัญญัติทําให้พระภิสุสงฆ์ต้องปรับอาบัติโทษทีนี้สิ่งของที่ไม่สมควรประเค้นถวายพระสงฆ์สิ่งของที่ไม่สมควรประเค้นถวายพระสงฆ์ได้แก่รูปิยะเงินและวัตถุสําหรับใช้แทนเงิ ν, นเช่นธนบัตรเป็นต้นไม่นิยมประเค้นถวายพระภิสุสงฆ์โดยตรงเพราะผิดพระวินยัยพุทธบัญญัติ ถ้าพระภิสุสูงรับประเคน้นต้องอาบัติโทษในการถวายปัจจัยนั้นนิยมใช้ใบปวารณาแทนตัวเงินในะส่วนตัวเงินนิยมมอบไว้กับวายาวัจกรของพระพิสูจน์นั้นโดยเขียนเป็นใบปวารณาถวายปัจจัยแทนนะอย่างนี้เป็นต้นในย่อจบนะระาณในวันพรุ่งนี้นี่อาตมาภาพจะมาพูดนะต่อในส่วนของ ระเบียบพิธีนะในระเบียบพิธีเดี๋ยวดูว่าในส่วนของเนื้อหาสาระนี่ยังเหลืออีกนิดหน่งยัดโยมนะยังเหลืออีกนิดหนึ่งในส่วนของระเบียบปฏิบัติการกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลก็แล้วกันแต่วันนี้เอาให้จบเลยก็แล้วกันในส่วนของเนื้อหาสาระที่ว่างเว้นไป2 3วันที่ผ่านมาครานี้ก็จะนําเสนอให้เยอะหน่อยก็แล้วกันก็คือระเบียบปฏิบัติการกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศล ที่จริงแล้วยอยมสาธิชนทั้งหลายเหตุผลในการกรวดน้ํำนี่มก็น้ําก็หมายถึงน้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เปรียบเสมือนน้ําใจที่ใสบริสุทธิ์ของคนเรายอดยมสายน้ําที่เทหลั่งไหลลงนั้นเปรียบเสมือนสายน้ําใจของคนเราที่หลั่งไหลออกมาให้ปรากฏแก่ประชาชนทั้งหลายการจะให้วัตถุสิ่งของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นําเคลื่อนที่ไปไม่ได้เช่นพระเจ้า นะเช่นพระเจ้าพิมพ์พิสารเนี่ยสรงมอบถวายพระราชอุทยานเวลุวันแด่พระพุทธเจ้าก็ทรงใช้น้ําเทหลังลงถวายพระพุทธองค์แทนน้ําพระไทยที่ส่งมอบถวายด้วยพระราชศรัทธาการที่จะให้สิ่งที่ใหญ่โตนะไม่สามารถจะหยิบยกให้ได้เช่นอะไรอีกก็คือเช่นพระเวสสันดรทรงพระราชทานช้างมงคล แก่พราม์ทั้ง8ก็ทรงใช้น้ําเทหลังลงเป็นสายแก่พราหม์ทั้ง 8, แปดแทนน้ําพระไทยของพระองค์ที่สรงพระราชทานนะแล้วก็การประกาศความตกลงใจซึ่งเป็นนามธรรมยะจบไม่มีรูปร่างเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสราภาพก็ทรงใช้น้ําเทหลังลงเป็นสายอันเป็นในมิตรหมายแห่งสายน้ํา พระไทยเด็ดเดี่ยวที่ทรงแสดงออกให้ปรากฏแก่ประชาชนทั้งหลายชั้นใดยันจบการจะให้ส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งเป็นนามนธรรมน่ะก็เช่นเดียวกันคือนิยมใช้น้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เทหลังลงเป็นสายอันเป็นนิมิตหมายแห่งสายน้ําไก่อันใสสะอาดบริสุทธิ์ที่ตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ท่านผู้ลวงลับไปแล้วชั้นนั้นน า, นนายจบุบ ดังนั้นนี่การที่เรากรวดน้านั้นมีจุดบ่งหมายของการกรวดน้ำอยู่ยะโจมก็หมายถึงว่าการกรวดน้ำนั้นก็เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลที่ตนได้บาเพ็ญแล้วแผ่ไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยนะถ้าผู้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลนั้นมีอาวุโสสูงกว่าผู้ล่วงลับไปแล้วเช่นพ่อแม่กรวดน้าอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุตรที่ดาผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือผู้บังคับบัญชากรวดน้ำอุทิศให้แก่ผู้อยู่ในบังคับบัญชาผู้ล่วงลับไปแล้วเช่นนี้ชื่อว่าเป็นการแผ่เมตตาการุณาแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นให้มีความสุขหนาตามสมควรแก่กติวิสัยในส่วนของสัมปรายภพ น, นั้นนั้นนายจบแต่ถ้าผู้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศ่ น, นั้นมีฐานะต่ากว่าท่านหนาผู้ล่วงลับไปแล้วเช่น บทที่ดากรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลในแก่บิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้วหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลใ้แก่ท่านผู้บังคับบัญชาผู้ล่วงลับไปแล้วเช่นนี้ชื่อว่าเป็นการแสดงกาตาญูกตะเวทิตาธรรมแก่ท่านเหล่านั้นเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมบุญบารมีของท่านให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นยัตจบนะที่นโ ย, ยัจบสาธุชนทั้งหลายนี่ การปฏิบัติหรือวิธีปฏิบัติในการกรวดน้ำเนี่ยเราจะกรวดกันอย่างไรการกรวดน้ำเนี่ยญาติโยมนะนิยมกระทาในงานทําบุญทุกชนิดทั้งงานมงคลหลาอว่ามงคลเนี่ใช้หมดในญาติยโยมนะหน้าก็เพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลที่ตนได้บําเพ็ญแล้วนั้นเนี่ยให้เกิดประโยชน์แก่พวกที่ละรับ ล, ละโลกนี้ไปแล้วน้ําสําหรับใช้ในการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยญาติโยมนิยมใช้น้ําที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ โดยไม่มีสิ่งใดเจือปนนะยะโจมนิยมใช้ภาชนะสําหรับกรวดน้ําโดยเฉพาะในพิธีทําบุญต่างๆในี่ถ้ามียะโจมถ้าไม่มีก็นิยมใช้แก้วน้ําหรือขันน้ําแทนและก็นิยมจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อนถึงเวลาจะใช้ยะโจกการกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลเนี่ยยะโจมนิยมกระทําหลังจากถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระพิสุทธิ์สงแล้ว เมื่อพระเถระประธานสงฆ์เนี่ยเริ่มอนุโมทนาคือพระเริ่มอะไรนะโยมที่เราจะกรวดน้ําก็คือเริ่มบทยะถ า, า น, นั่นแหละยะถ า, าวาริวหาปุราปริปุเรนเนี่แหละโ ย, ยมนะเจ้าภาพงานเนี่ยและก็ประธานพิธีก็เริ่มที่จะหลั่งน้ําอุทิศส่วนกวุศลถ้าผู้กรวดน้ํานั่งอยู่กับพื้นทํำยังไงก็นิยมนั่งพับเพียบจับภาชนะสําหรับกรวดน้ําด้วยมือทั้งสอง รินน้ำให้ไหลลงเป็นสายนะถ้าภาชนะที่ใช้กรวดน้ำนั้นมีปากกว้างเช่นใช้แก้วน้ำหรือขันน้ำนิยมใช้นิ้วชี้นะมือขวารองรับสายน้ำให้ไหลลงไปตามนิ้วชี้นั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงเปื้อนพื้นนะถ้าภาชนะนั้นปากแคบไม่นิยมใช้นิ้วมือรองรับสายน้ำนั้นอีกจะจบ กิริยาอาการที่กรวดน้ำนั้นเนี่ยญาติโยมนิยมรินน้ำให้ไหลลงเป็นสายโดยไม่ขาดตอนเป็นระระยะระยะเพราะว่าอะไรเพราะดูแล้วไม่งามารดน้ำไปเนี่ยขาดเดี๋ยวก็ขาดเนี่ยญาติโยมดูแล้วไม่งานพร้อมกับการรินน้ำลงเป็นสายเนี่ยนิยมตั้งจิตสํารวมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลใ้แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้วในญาติโยมดังนั้นดู คำกรวดน้ําของพระเจ้าพิมพิสารหน่อยก็แล้วกันย่าโยมนะคํากรวดน้ําอุทิศส่วนกุศล ว, ว่ากล่าวไว้อย่างไรนะท่านกล่าวไว้ว่าอิทางเมียตีนางโหตุสุ ข, ขิตาโหนตุยาตะโยก็แปลว่าขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขนะหรือเราจะว่าเป็นคํากรอนก็ได้ย่าโยม นะง่ายๆก็คือข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบนกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาและอาจารย์ทั้งลูกหลานใกล้ชิดสนิทกันคนเคยร่วมเคยรักสมัครใครมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านจงโมทนาทั่วหน้าเทินนี่หยาจก ก็แล้วแต่เราจะใช้ยัดจมใช้อีทางเมีาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยก็ได้ใช้คํากรอนก็ได้นะหรือใช้ควบกันเลยก็ได้ยัดยมไม่มีปัญหานะดงั้นเมื่อเราเนี่ยได้ตั้งจิตอุทิตส่วนกุศลเป็นส่วนรวมแล้วนะ่ะยัดจมก็นิยมอุทิตระบุเฉพาะเจาะจงชื่อนำสกุลของบรรพบุรุษพ่วงรับไปแล้วด้วยอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งก็ได้ยัดจมนะระบุชื่อไปด้วยก็ดีนะ เพราะฉะนั้นยยมเมื่อพระสงฆ์นี่กล่าวยะถานะเมื่อรูปที่เมือ่อเมื่อกล่าวยะถาเสร็จในะยัตยมรูปที่สองนะก็รับอนุโมทนาท่านก็จะว่าสัพพิตโยนี่แหละ ย, ยัตยมนะผู้กรวดน้ำนะหรือยัตยมที่กําลังกรวดน้ําก็นิยมเทน้ํากรวดให้หมดภาชนะแล้วก็ประนมมือรับพรต่อไปจนจบนะยัตยมสาธิตจนทั้งหลาย ขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดบทอนุโมทนาอยู่เนี่ยยศโยมเจ้าภาพหรือประธานพิธีนะไม่นิยมลุกไปทํากิจอย่างอืน่นเพราะอะไรเพราะเป็นเวลาที่พระสงฆ์ท่านกําลังกล่าวคําประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่เจ้าภาพหรือให้แก่ประธานพิธีเนี่ยยศจบเมื่อพระสงฆ์สวดอนุโมทนาจบแล้วเจ้าภาพหรือประธานพิธีก็นิยมกราบหรือไหว้ แสดงความเคารพพระสงฆ์อีกครั้งตามสมควรแก่สถานที่นั้นคือถ้านั่งอยู่กับพื้นก็นิยมกราบถ้านั่งเก้าอี้ก็นิยมยกมือไหว้เม่า น, น, น้ำที่กรวดอุทิศส่วนกุศลแล้ว น, นี่จะโยมนิยมนาไปเทลงที่พืนดินโดยเทรดต้นไม้หรือหญ้าณสถานที่ภายนอกตัวอาคารบ้านเรือนเพื่อฝากไว้กับพระแม่ธรณี ห้ามไม่ให้เทลงในกระถนนะอย่านะญาติยโยมหรือเทในที่รกร้างนะอันนี้ก็ห้ามเหมือนกันญาติโยมอันนี้ฝากไว้สําหรับญาติโยมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามระเบียบปฏิบัติการประกอบพิธีงานศพก็แล้วกันระเบียบปฏิบัติการจัดการพิธีศพนะพิธีปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับงานศพนี่เราจะปฏิบัติกันอย่างไรเป็นงานอาวะมงคลญาติยโยมนะว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไร นะในตอนท้ายนี่ก็จะนํานิทานธรรมะมาฝากกับญาติโยมซักเล็กน้อยเพื่อไว้เป็นกติเตือนใจให้กับญาติโยมที่ติดตามรับฟังก็แล้วกันนะในวันนี้นี่จะนําเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับในส่วนของนิทานในเรื่องนะผลแห่งความใจดีนะคนเขาใจดีเนี่เกิดอะไรขึ้นญาติโยมนะคนใจดี ผลเห็นความใจดีนี่จะเกิดอะไรขึ้นนี่ยะโจมเรื่องนี้นะ่ะยังมีพรามคนหนึ่งยะโจมชาวเมืองพรนานสีคนหนึ่งยะโจมนะ่ะออกบวชเป็นฤาษีอยู่ที่เชิงเขาในป่าหิมพานพร้อมกับผู้ติดตามอีกประมาณห0 0รคนทีนี้ยะโจมอยู่มาถึงหน้าแล้งนี่น้ำในที่ต่างๆนี่แห้งหมดเลยนะ่สะสัตว์ทั้งหลายต่างพากันลาบากเลือเกิน อดโซไปตามๆกันเรูอสีองค์หนึ่งเห็นเช่นนั้นนี่ยอดโยมก็รู้สึกสงสารเป็นอย่างยิ่งจึงโค่นต้นไม้ต้นหนึ่งลงแล้วทก็แล้วก็ทำเป็นร่างสำหรับไม่ใช่ร่างสิทำเป็นรางยอดโยมทาเป็นรางสาหรับเก็บน้าไว้ให้สัตว์พวกนั้นได้อาศัยดื่มกินอยู่เป็นประจำสัตว์จำนวนมากยอดโยมได้มาดื่มกินน้ำนั้นนี่ จนรือสีนี่ไม่มีเวลาพอที่จะสแสวงหาอาหารในป่าได้เพราะมัวแต่ไข่น้ำให้เป็นทานเก็บพวกสัตว์นะ <c oughs> ครั้นต่อมาวันเด่งยัดโยมพวกสัตว์ก็ได้ประชุมปรึกสังหารือกันเป็นที่ตกลงกันว่าตั้งแต่วันนี้ไปใครจะไปดื่มน้ำต้องหาผ ล, ลไม้ไปฝากรือสีตามกำลังของตนด้วย ตั้งแต่มันนั้นมาญาติโยมพวกสัตว์ทั้งหมดนี่ก็ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ประชุมปรึกษาหารือกันไว้ในวันหนึ่งหนึ่งนิ้วฤาษีจะได้รับผลไม้จากพวกสัตว์จํานวนมากทีเดียวประมาณกว่าสองเล่มเกวียนไม่ใช่น้อยญาติโยมณวันหนึ่งนี่ได้ถึงสองเล่มเกวียนนี่ก็ถือว่าเยอะพวกเพื่อนฤาษีด้วยกันนี่ก็ได้พลอยอาศัยบริโภคผลไม้ โดยไม่ต้องเข้าไปหาถึงในป่าเหมือนที่เคยย่าจมต่างคนต่างก็สุขสบายไปตามๆกันฝ่ายฤาษีผู้อาจารย์เห็นดังนั้นนี่จึงได้สรรเสริญน้ำใจอันดีของฤาษีจึงได้รับผลตอบแทนอย่างน่าชื่นใจนั้นเป็นอย่างยิ่งย่จกเพราะฉะนั้นนี่คติที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือความใจดีนะความใจดีความมีเมตตาการุณา ความมีเมตตาการุณาไม่ว่าต่อคนหรือสัตว์นี่ย่อมได้รับผลอันน่าชื่นใจเสมอนะหมายความว่าเราให้ความช่วยเหลือคนอื่นหรือให้ความช่วยเหลือแก่ใครก็แล้วแต่นี่อ้าเขามีจิตใจที่ดีขึ้นนะหรือก็มีคนเขามีจิตใจดีนี่ยัดโยมนะเขาก็จะทําคุณตอบแทนแก่เรานะยกเว้นว่าคนนั้นนี่มีจิตใจที่ไม่ค่อยเป็นมนุษย์มนาเท่าไหร่นี่ก็ นาชอบทำอะไรที่มันไม่นเข้ารูปเข้ารอยไม่ทำความดีตอบแทนว่าอย่างนั้นนะนั่นคือนิทานคติธรรมนาในพระพุทธเจ้าห้าร้อยชาติวันนี้นำมาฝากกับญาติโยมสาธิชนทั้งหลายในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะนาเสนอให้กับญาติโยมสาธิชนทั้งหลายได้ติดตามรับฟังเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นก็มาติดตามรับฟังรายการของอนามาภาพหรือว่าวันนี้ก็ยังมีต่อเวลา 18นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19นาฬิกาแล้วก็เวลา21นาฬิกาจนถึงเวลา22นาฬิกาในส่วนของรายการธรรมะเพื่อชีวิตคือการสนธนาธรรมก็ในส่วนของเรื่องนั้นก็สามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันจะจบนาทีห้าก็ฟังได้8นาฬิกาก็ฟังได้12นาฬิกาก็ฟังได้16นาฬิกา17นาฬิกา สิบแนาิกาสานาทีและ21่สิอ็นาฬิกาสามนอ็ดนาฬิกานัน้นก็ติดตามรับฟังนาได้เช่นเดียวกันหนาญาติโยมวันนี้ดูเวลาแล้วก็คงจะสมควรแก่เวลาแล้วแหละญาติโยมนาวันนี้นาต้องขออนุโมทนายาติโยมที่ติดตามรับฟังรายการในส่วนของร้อยห้าไม่เคิร์ดทุกคนทุกท่านเลยทีเดียวนาวันนี้อาตมาภาพพระสมรัชญ์ยานตีโรวัดพันศรีตำบลจรพัฒน์อำเภอสิขรภูมิจังหวัดสุริน ต้องขอลาผาจกากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมผู้รับฟังรายการทุกทุกท่านขอเจริญพร